ส่วบางที่ครับคะเราผ่านไปสําหรับการที่ได้ปฏิบัติธรรมกันมาในช่วงต้นฟังพระสูตรที่ท่านมาร์คพระมาร์คชาคาวาโรวัฒนาปภง์ลำลูกกาคลองสิบอ่านให้ฟังตอนนี้ก็มาพบกับพระเพรบุ์อภิปุลโนนะคะจากวัปปาอนหายโศน้องหาญอุดรธานีนรมาสการกค่ะท่านคะจ้าเฉริมพรค่ะท่านเพรบุญคะเรื่องของการเดินจงกรมค่ะอืเดินจงกมจรมจริงๆแล้วเนี่ย เดินอย่างไรคะแล้วต้อง oh. คือเดินอย่างไรนี่หมถึงถามท่านทั้งหมดเลยนะคะอาการ uh huh. เดินลักษณะของการเดินจะต้องเดินไม่เกินระยะทางเท่าไหร uh ่ huh. หรือไม่ uh huh. นะคะต้องเดินเป็นวงกลมหรือเปล่า uh huh. อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ใ, ใช่่บางบางท่านที่มาปฏิบัติตรมที่วัดป่าตอนไหนโศกอะ บอกให้ไปเดินจงกรมเนี่ยบางคนเดินเป็นกลมๆเดินเป็นกล ม, กมๆจริงหรอครับจี่นี่ฉันถามเล่นๆมีคนทำจริงจริงมมีคนทําจริงนะๆแม้แต่พระบางองค์ที่อ า, อาจจะเพิ่งเพิ่งบวชหรือว่าเพิ่งศึกษาเนี่ยไม่รู้ว่าเดินจงกรมทำยังไงก็เลยไปเดินเป็นกลมๆเดินรอบโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงๆแล้วการเด<อ>ินจงกรมเนี่ยการเดินจงกรมคําว่าจงกรมมาจากคำว่าจังกรมะจังกรมะเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าเดินกลับไปกลับมา กลับไปกลับมาแค่นั้นเองนะถามว่ากลับไปกลับมาตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติว่าต้องยาวเท่าไหร่ายาวยี่สาหาสิบเกหรือว่า3ามสี้าได้ไหมยอย่างนี้นะก็ไม่ไ ด, <Okay. S 1> ไได้ไม่ได้พูดถึงแล้วเรื่องของการเดินในกรณีว่าต้องก้าวข้าวซ้ายข้าวขาวาอะไรก่อนเวก็หมุนกลับซ้ายกลับขวานี่ก็ไม่ได้ทรงบัญญัติเอาไว้ก็แสดงว่าเป็นเรื่องที่เปิดกว้างาเปิดกว้างว่าใครสะดวกยังไงก็ทําอย่างนั้นจะเดินชา้าเดินเร็ว ก็เปิดกว้างไม่ได้บัญญัติว่าต้องเดินปลายเท้าใช้ส้นเท้าเดินได้ไหมนะต้องกี่กี่ในหนึ่งนาทีก้าวได้กี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าพระพุทธเจ้าเปิดกว้างเอาไว้เราก็เปิดกว้างเหมือนกันนะใครจะเดินยังไงก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าสภาวะจิตต่างหากที่จะต้องสําคัญ เ, เรื่องสภาวะจิตที่สําคัญตรงนี้ เ, เรื่องท่าทางการเดินก่อนนะท่าทางการเดินก็เปิดกว้างอย่างที่บอก เ, อเดินยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเดินเป็นกลมๆเนี่ย ก็ไม่มีปัญหาล่ะพิดว่านะ <Okay. S 1> แล้วก็ <Okay. S 1> แต่จิตเนี่ยต้องสําคัญจิตที่สําคัญก็คือว่ า, าไม่มีนิวรณ์ฟังละนิวรณ์ให้ได้ต้องเป็นจิตที่เป็นสมาธิหรือว่าถ้าเร า, เาสังเกตลมหายใจอยู่ก็ให้สังเกตลมหายใจอย่างนั้นแหละนะให้มีสติอยู่อย่างต่อเนื่องในการเดินของเราที่พูดในล <c oughs> ักษณะของทางกายภาพเ <c oughs> ทียกายภาพที่พุะเจ้า <c oughs> ได้ตรัสไว้เกี่ยว ก, กับเรื่องการเดิน <c oughs> ก็จะทําให้เป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล อ่าแล้วก็เป็นผู้ที่มีย่อยอาหารได้ง่ายแล้วก็ยังจะทําให้เป็นคนที่ <Okay. S 1> ถ้าสมาธิที่เกิดในระหว่างการเดินเนี่ยจะตั้งอยู่ได้นาน hmm. แล้วก็อดทนต่อการทํา oh. ความเพียรด้วยอืมค่ะนี่คือลักษณะของการเดินคนที่เดินแล้วเนี่ยอ่าก็จะทําให้อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วริมแล้วเนี่ยย่อยไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นมันก็จะ <Okay. S 1> มีประโยชน์ของการเดินนั่นแหละ ท่านครับพอท่านพูดถึงว่าพระพุทค์ไม่ได้บัญญัติว่าจะต้องเดินอย่างไรแต่เป็นลักษณะของการเดินถ้าตามภาษาแปลตามภาษาที่เป็นรากเหง้ามาจากบาลีว่าจังกมะมแปลว่าเดินกลับไปกลับมาทีนี่สำหรับการเดินถ้าเดินลักษณะเดินไปข้างหน้าแล้วเดินถอยหลังนะคะคือเดินถอยหลังนะคะยังจัดว่าเป็นการเดินจงกลมหรือไม่เออ ก, ก็คิดว่าได้ เพราะว่าในมหาสติประสานสูตรเองเนี่ยส่วนที่เป็นเรียกว่ามีสติกายคตาสติเนี่ยกายานุปัสนาสติปทานเนี่ยก็คือว่ามีสติในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับถอยกลับแสดงว่าการเราเราเดินถอยหลังนี่ก็ต้องมีสตินะแต่ถ้าคุณเดินถอยหลังแล้วคุณไม่มีสตินี่ไม่ได้นะแต่ถ้าคุณเดินถอยหลังแล้วคุณมีสติได้หกล้มหกล้มได้ไหมมีสติไหมล่ะ ถ้ามีสติอยู่ก็หกล้มก็หกล้มไปคือสรุปแล้วหลักการอยู่ที่ว่าสําคัญที่จิตใช่ไหมคะสําคัญที่จิตถูกต้องว่าต้องมีต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาทีนี้ที่ท่านพูดว่าไม่มีนิวรณบางคนเลยบอกว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ต่างหาก<ม>เดินยังไงไม่มีนิวรแล้วนิวรที่ท่านว่าคืออะไรนิวรณเนี่ยคือเครื่องกางกัน้นทําบัญญัติถอยกําลังจะทำให้จิตของเราเนี่ยไม่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติอยู่ในการเดินเนี่ย มันจะช่วยละนิวอนได้คนที่มีนิวรณอยู่มีสติอยู่เนี่ยจะสามารถละนิวอณนได้สติตัวเนี้ยจะช่วยให้เราละนิวรณได้แต่ถ้าเราไม่มีสตินะเราจะละนิวรน์ไม่ได้นะเราต้องมีสติ ใ, ในขณะที่เรามีนิวรณ์ก่อ น, นเค ร, รื่องกั้นของจิตมีอะไรบ้างความอยากในการความง่งเหงาหานอนเขี้ขี้คร้านความพยาบาทความวิจิกิจฉาความเครือบแคลงระแวงสงสัยอย่างเนี้ย พวกนี้เป็นเครื่องกลางกั้นทําปัญญาถอยกํำลังพวกนี้ยพอเกิดขึ้นในจิตขณะที่เดินอยู่ก้าวซ้ายก็ไดก้าวขวาก็ได้จะเดินแมบกหน้าจะถอยกลับก้างหลังก็ได้ถ้าเรามีสติอยู่ในเรื่องพวกนี้อยู่เราพอจะละมันได้อืมค่ะคือถ้าเป็นอาการามีการปรารถนาในการมีความวง่วเหงาหานอนขี้เกียจพยาบาทระแวงสงสัยเนี่ยอขอให้เข้าใจเลยว่านั่นแหละตัวนิวร์คือเครื่องกลางกั้นทําให้ปัญญาถอยกําลังเนี่ยเกิดแล้ ว, ลวใช้สติไปจับ จับปุ๊บก็ค่อยๆลาเขาได oh, <okay. S 1> ้พอละได้แล้วจิตเราจะเป็นสมาธิมากขึ้นนั่นแหละดีแล้วจิตแบบนี้เป็นจิตที่ดีใช้งานได้ <Okay. S 1> บางบางท่านนะถ้าฟังรายการนี้บางท่านที่เคยอ่านตําราอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านทีน่ท่านกำหนดว่าต้องเป็นทิศนั้นทิศนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ข้อมูลพวกนี้อาจารย์ก็ทราบอยู่เพียงแต่ว่าเราเราจะ <Okay. S 1> พูดถึงเฉพาะส่วนที่เป็นพุทธปรนะณะ ถ้าพุทธเจ้าไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ก็คิดว่าเปิดกว้างได้ท่านจะทำยังไงก็คิดว่าได้ทั้งนั้นแล้วแต่สะดวกก็แล้วกันแต่ขอให้จิตมีสติมีสมาธิสาคัญมากๆต้องมีมดิฉันเองก็มีตัวอย่างที่กลับเรียนถามท่านไปถึงเรื่อว่าเดินถอยหลังได้ไหมเนี่ยคือก็เคยเดินจมกรมในบ้านเน่นะคะเดินลานหน้าบ้านเดินก้าวไปข้างหน้า ทางเดินจากตัวบ้านไปถึงรั้วแล้วก็เดินถอยหลังกลับมาเดินอยู่ได้จาครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะทาา่านคอืะเสร็จแล้วในการเดินถอยหลังครั้งสุดท้ายเนี่ยไปชนกับสุนัขอืตัวใหญ่ใช่ที่เขาเป็นสุนัขข้างถนนน่ยนะคะแต่ที่บ้านอชอบ เ, อเข้ามาเลี้ยงแล้วก็เกิดอุบัติเหตุที่มีผ่านมาจะกหกเดือนแล้วดิฉันยังไม่หายเลยนะคะอคือ มือเนี่ยไปกระแทกพื้นแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อฉีกแล้วกล้ามเนื้อที่หัวแม่มือเนี่ยมันต้องใช้อยู่เป็นประจํามันก็เลยทําให้เกิดการอักเสบอยู่บ่อยเด็กก็เลยทําให้เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าผู้พุธทธองค์ห้ามไว้ดิฉันไม่ทราบไปเดินเข้าเลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้จ้ะค่ะมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเวลาที่เราเดินเนี่ยสมมตเเิเราจิตเราอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในลหมหายใจสังเกตลหมหายใจอ ย, อยู่ใช่ไหมเดินไปเดินไปเดินช้าบ้างเร็วบ้างอะไรก็แล้วแต่พอถึงจุดที่ต้องเดินกลับหลังอ ฉันเดินถอยหลังก็แล้วกันนะไม่หันกลับเดินถอยหลังเดินถอยหลังไปอาจจะมีความคิดว่าเอ๊ะฉันจะไปชนอะไรไหมจิตที่แว บ, บออกไปเนี่ยหลุดออกจากสมาธิแล้วนะนเพราะหลุดออกจากสมาธิแล้วเนี่ยมันก็ก็ไม่ดีแล้วลนะ่ะเพราะฉะนั้นการการเดินถ้าเรายังมีคิดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ทําในอิริบ ท, ที่เราพอจะจะทําให้เราไม่ต้องคิดได้มีความกังวลน้อยลงอ่าก็คเพราะฉะนั้นเดินหันหน้ามันก็จะ ก็จะมีส่วนดีอยู่ตรงนี้แหละใช่ค่ะแต่ดิฉันก็ได้พบอยู่อย่างหนึ่งว่ารู้สึกว่าเราก็ควรจะพิจารณาให้ดีว่าจะเดินอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุดอันนี้ก็โทษตัวเองเลยนะคะว่าไม่ใช้ปัญญาตั้งแต่ต้นในการที่จะตัดสินใจเดินเพราะคิดว่าไอ้บ้านเรานะคะก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นทางนี้และทงนั้นก็เล่าให้ฟังเป็นเกร็ดเฉยๆนะคะที่ฉันไม่อยากให้ท่านสนใจไปเป็นสาระ เป็นสาระก็เฉพาะในส่วนที่พระพุทธองค์ตรัสแล้วท่านไปบุญมาถ่ายทอดกันละกันว่าการเดินสําคัญอยู่ที่จิตต้องไม่มีนิวรณ์มีสติอย่างต่อเนื่องท่านจะได้ประโยชน์ด้วยจากการเดินที่นี้มีประโยชน์อยู่ข้อหนึ่งค่ะที่บอกว่าสมาธิระหว่างการเดินจะตั้งได้นานอืทําไมเป็นอย่างนั้นดิฉันตอนแรกเข้าใจผิดนะคะอคือเข้าใจคิดว่าถ้าเราเดินก่อนแล้วเราจะไปนั่งสมาธิได้นานอ๋ออันนี้หมายความว่า ในขณะที่เรากาลังเดินจงกรมอยู่เนี่ยแล้วมีสมาธิเกิดขึ้นสมาธิที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันจะอยู่กับเรานานเห็ไห ม, มเพราะอะไรแล้วทำไมฉันนั่งคู่ขาอยู่ในห้องเรือนว่างหรือว่าอยู่ใต้โคนไม้เกิดสมาธิขึ้นแล้วสมาธิอย่างนี้อยู่ไม่นานหรอคำตอบก็คือถูกต้องอยู่ได้ไม่นานเมื่อเทียบกับการเดินเพราะอะไรคุณยมติวตรงนี้ไม่มีพุทธจนะที่ขยายความเอาไว้อะนะ แต่จากประสบการณ์ที่เราปฏิบัติมาเราพบว่าการเดินเนี่ยอลองดูทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะเคยเดินอยู่ไม่ต้องเดินจงกรมก็ได้เดินจากที่นอนไปเข้าห้องน้ำอ่ะคุณเดินจากที่นอนไปเข้าห้องน้ำเนี่ยคุณมีผัดสะมากกว่านั่งอยู่เฉยไหนจะต้องตาดูทางถ้า ม, มืดเราก็ต้องเอามือคลำไปและเท้าที่สัมผัสพื้นอีก c คอเดเนชันต่างๆของกล้ามเนื้อทั้งหมดมันจะต้องทํางานสัมพันธ์กันทั้งระบบการทรงตัวที่อยู่ในหูสมองที่ต้องสั่งการเดินไปเนี่ยมันทํางานเยอะแยะมากกว่าการนั่งตั้งหลายอย่างถูกไหมกระบวนการทั้งหมดตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือพัฒนาทั้งนั้นเกิดพัฒนาขึ้นในกายอย่างมากมายพัฒนาตรงนี้ที่เกิดขึ้นคนโยมติ๋วมันเป็นธรรมชาติที่มันจะดึงจิตของเราไปเพราะบางคนปวดเขานะเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปที่เขาละ่ะขณะเดินอยู่แต่ถ้านั่งอยู่เนี่ยมันไม่ปวดเขาเนี่มันก็ไม่ไปใช่ไหม พอเดี๋ยวมางคนปวดหลังด้วยโอ้ปวดเขาแล้วก็ปวดหลังจิตก็วิ่งไปทั้งเข่าและหลังเดี๋ยวปวดไหลมันก็ไปอีกแต่ถ้านั่งไม่เกิดพวกนี้นะจะเกิดน้อยกว่า<ช>มา ก, มากไอ้ภาษาที่เกิดมากมากนี่แหละนี่แหละนี่แหละ <c oughs> จะเป็นตัวที่ทําให้เมื่อเราละมันได้แล้วเนี่ยความชํานาญของจิตของเราความที่เราจะตั้งมั่นอยู่ได้จึงเกิดขึ้นไง <c oughs> เพราะว่าผู้ใดก็ตามเป็นผู้ที่อดทนต่อภาษาต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจได้เนี่ยจะเป็นผู้ที่สามารถเข้าสู่สมาธิได้ง่าย ใช่หไหมท่านคะถ้าอย่างนั้นไม่แน่นะคะอาจจะมีคนกําลังฟังรายการวิทยุแล้วใช้หูฟังหรือค่ะเดินอยู่ออกกําลังกายตอนเช้าด้วยใช่ก็จะช่วยโอกาสใช้การเดินที่อยากเดินอยู่แล้วเนี่ยทําอยู่แล้วเป็นการเดินจมกลมไปด้วยออกกําลังไปด้วยเลยได้ใช่ไมได้ได้ทีนี้ต้องต้องเตือนนิดนึงว่าอะจะพูดอย่างนั้นได้ไหมล่ะ เดี๋ยวจะพูดให้ฟังก่อนละกันคือถ้าเราถ้าจะมาะบอกว่าการเดินเนี่ยสมาธิที่เกิดจากการเดินก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะแต่ น, นี้ยังไม่ใช่พุทธวจนะนะโปรดใช้วิจารณญาณก่อนกก่่ออนนเชื่อหรือก่อนตัดสินใจการสมาธิที่เกิดจากการเดินก็ไม่ได้เกิดง่ายเหมือนกันอันนี้แล้วแต่คนนะเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นความที่มันมีผัสสะมากนี่คือข้อสันนิษฐานของอาตมาแต่ไม่มีพุทธวจนะ ร, รับรองแต่ถ้ามันเกิดแล้วนะแหมมันจะอยู่กับเราแบบอย่างดีละ อบ้างกันเถอะอ่าที่เป็นข้อสังเกตเฉยแต่คิดว่าไม่มีพระวจนะรับรองก็ก็ยกเอาไว้ก่อนแล้วกันก็ต้องไปไ ป, ไป<อ>ทำด้วยตัวเองแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเดินอยู่บนถนนที่มียานพาหนะต่างๆชุลมุนวุ่นวายนี้คิดว่าคงจะต้องใช้ สติในการที่จะพาตัวเองเดินอย่างไรให้ปลอดภัยด้วยเป็นหลักนะคะค่ะบางคนเขาบอกว่าเดินเนี่ยสามารถจะใช้การเดินอย่างมีสติเพื่อที่จะเยียวยาความเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงก็ได้ท่านเคยได้ยินบ้างไหมคะไม่ไม่เคยเช่เนบางคนเป็นโรคร้ายเนี่ยเขาก็บอกว่า อย่าไปท้อใจนะระหว่างการรักษาเนี่ยให้ออกกําลังกายออกกําลังกายให้ดีที่สุดการเดินเพราะว่าการเดินมันเป็นอัากับกิริยาปกติอิริยาบถปกติของมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นแทนที่จะเดินแบบที่เคยเคยเดินไปคิดโนดคิดนี่วุ่นวายไปก็ให้เดินอย่างมีสติอืเป็ น, เ ป, นเป็นการออกกําลังกายได้ไหวใช่อย่างดีพูดถึงถ้าตามหลักการเนี่ยจะช่วยได้อย่างไรคอับที่จะทําทให้สุขภาพดีขึ้นได้โอเพราะว่าระบบท้องไง ระบบท้องไส้เนี่ยดีขึ้นเวลาเดินแล้วเนี่ยการขับถ่ายจะดีการขับถ่ายดีเนี่ยธาตุไฟธาตุอะไรต่างๆก็ทำงานอันนี้พุทธวจนะนะพุทธเจ้าบอกว่าการเดินจะทําให้อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเกี่ยวแล้วดื่มแล้วเนี่ยย่อยง่ายแล้วก็ผ่านไปด้วยดีซึ่งตรงนี้แหละจะทําให้มีการปรับธาตุไฟได้อย่างดีพอมีการปรับธาตุไฟแล้วเนี่ยกายเราก็จะสบายอ่ะวางกันเถอะมีธาตุไฟที่ไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไปค่ะก็เป็นผลพลอยได้ จากการที่ใช้วิธีการเดินในการเจริญสติที่เราเรียกว่าเดินจงกรมใช่ใช่เพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยเราก็ไม่ได้จําเป็นต้องจํากัดแบบแผนว่าต้องทิศนั้นทิศนี้หรือว่าก้าวนี้ก้าวนั้นช้าเร็วก็ให้เดินธรรมดาแต่ที่สำคัญต้องมีสติแล้วก็การเดินให้ทําบ่อยๆก็จะเป็นการดีนะคุณจะอดทนต่อการทําความเพียรเป็นผู้ที่เดินดางไกลได้มี น, นิสสงมากว่ากั้นเถอะนะคะท่านคะทีนี้ มีคำถามสุดท้ายความจริงท่านเพราะฉะนั้นไปแล้วเนี่ยนะค ะ, ะสมมุติว่าเนี่ยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวบางคนบอกว่างั้นก็ถือโอกาสออกกำลังกายไปด้วยเดินเจริญสติไปด้วยในแง่ของสติที่เราจะเข้าใจหลักการว่าให้อยู่กับอารมณ์เดียวแล้วก็จดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวเนี่ยถ้าต้องการที่จะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเนี่ยทาให้เสียประโยชน์จากการ หวังจะเจริญสติหรือไม่คะคือเหมือนกับว่าคุณไม่ได้เหมือนกับจะไปใส่บาตรเนี่ยไม่ได้มีจิตใจแน่วแน่ที่จะใส่บาตรแต่เพียงอย่างเดียวยังมีความโลภยังอยากได้การลดความอ้วนด้วยสมมตินะคะอออืมออตรงนี้ถ้าเราฝึกได้อย่างดีแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างที่คุณโยมติว่าคือเนื่องจากว่าสมมุติถ้าเราเดินเนี่ยนะร่างกายเราสุขภาพเราก็จะดีขึ้นเป็นการออกกาลังกายไปนในตัวด้วย สสมาธิที่เกิดขึ้นดูโอ้ยนี่ยิ่งดีใ่เลยเป็นประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาตินะอันนี้เข้าใจถูกเข้าใจถูกเป็นเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สามารถทําได้แต่การทําอย่างนี้ได้ก็ต้องใช้อาศัยการฝึกฝนเพราะว่าการที่เราจะทําสภาวะจิตของเราเนี่ยให้อย่างนั้นอย่างนี้ได้โดยที่จิตของเรานิ่งอยู่เนี่ยคุณต้องฝึกไงพราะอาจารมาจึงมีความเห็นส่วนตัวซึ่งไม่มีพุทธวชนะรับรองว่าสมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมเนี่ยก็เกิดยากเหมือนกันค่ะ นะคะก็ต้องอาศัยการฝึกฝนฝึกฝนต้องไปงเรื่อยๆมีความเพียรวันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณพระอาจารย์เทบุญอภิบุญโญเป็นอย่างยิ่งค่ะนมัส ก, การค่ะอาจารย์ประภารเธอท่านฟังที่เคารพค่ะสำหรับรายการของเราชื่อสรนสนีสนทนาดําเนินรายการโดยสันสนีนาภงทางสถานีวิทยุเอครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อในรายการคือศูนย์สองสองหกเก้ 06, ท่านสามารถทิ้งคำถามและคำแนะนำอื่นๆเอาไว้ได้ขอหนังสือขอซีดีมาที่นี่ก็ได้แล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือติดต่อถามคำถามไปที่ w o r l d w e b p l t h a m a c o m 1 0 6อันนี้จะตรงไปหาท่านจามพบูลเลยนะคะพบกันใหม่ในรายการนี้สันสนีสนทนาพรุ่งนี้ค่ะุูท้ทวัสดีคะ่ะ